มาทำไมล่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีใครอยากออกใครมีธุระมีคำถามอะไรมไหมมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนสองคนเนี้ชุดขาวเนี่ยอัจฉิยามาพักที่วัดเหรอป่าวครับใส่ชุดขาวที่บ้านนี่นะ มาแจกวัคซีนไหมเออถือสินแปดที่บ้านนะเออสีนห้าเออสินห้าชุดขาวนี่มีหลายหลายแบบชุดขาวที่ถือสินแปดก็มีชุดขาวที่ถือสินห้าก็มีชุดขาวที่ไม่ได้ถือสินแต่กินเจก็มี กินเจก็ชุดขาวกินเจแต่ตบยุงนะีน่เรียกวาพวกการกินเจมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีล น, นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าการกินเจก็คนคนที่กินเจแล้วไม่รักษาศีลก็ไม่ถือว่ามีศีล กินเจแล้วยังตบยุงอยู่ยังโกหกอยู่การกินเจไม่กินเจนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลโดยตรงถ้ากินเจมีศีลเนี่ยพวกวัวควายก็มีศีลวัวควายก็กินหญ้ากินผักขเขาก็ไม่กินเนื้ อ, อแสดงวัวควายมีศีลหรือเปล่า แต่วัวควายมันไปกรามักินหญ้าของคนอื่นเขาไปกินข้าวที่ชาวนาปลูกไว้อย่างนี้ไม่มีศีลงนั้นการกินเจไม่กินเจนี้ไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องศีลกินเจแล้วยังไปอบายได้กินเจรหรือไม่กินเจก็ไปอบายได้จะไปอบายหรือไม่ไปอบายอยู่ที่รักษาศีลห้าได้หรือไม่ ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ต้องไปอาบายสำหรับคนที่เข า, เาต้องเวลาเขาจะกินเนื้อสัตว์เขาต้องฆ่าเองเช่นเมื่อก่อนอาชาวบ้านไม่มีตลาดนี้เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไร เวลาก็อยากจะกินเนื้อเป็ดเนื้อไก่เขาก็ต้องค่าเป็ดค่าไก่ถ้าถ้ากินเจก็จะไม่ได้ค่าเป็ดค่าไก่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการกินเจก็เป็นการทำให้รักษาศีลข้อปติบาตได้แต่ถ้าสมัยนี้เขามีตลาดกันคนกินเจก็ไปซื้อของที่ตลาด คนไม่กินเจก็ไปซื้อของที่ตลาดก็ไม่ต่างกันถ้าเนื้อสัตว์ที่ตลาดที่เขาขายนี่มันถูกค่ามาแล้วคนซื้อไม่ได้ไปสั่งให้เขาค่าก็ไม่ได้ทำบาปแต่อย่างใดเช่นเราไปที่ตลาดแล้วเขามีเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อปลูเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ตายแล้วมาขาย เาไปซื้อมากินนี่เราก็ไม่ได้ทําบาปเราไม่กินก็ไม่กินเนื้อสัตว์กับกินเนื้อสัตว์ในลักษณะนี้ก็เท่ากันไม่มีผลต่างกันเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อปาณาติบาดเพรฉนั้นต้องทําความเข้าใจว่าการกินเจเฉยๆไม่ได้หมายความว่าจะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้ากินเจยัยงไปตบยุงอยู่อย่างนี้ไปตีมดไปฆ่ามดอย่างนี้ก็ยังถือว่าทําบาปอยู่คนที่กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ไปตบยุงไม่ฆ่ามดนี่ถือว่ามีศีลศีลอยู่ที่การรักษาการไม่ทําบาปห้าข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือการมีศีลต้องมีอยู่ที่ห้าข้อนี้ถ้ากินเจแล้วตอนเย็นก็กินเหล้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามีศีลกินเจแล้วโกหกนี้ก็ไม่มีศีลกินเนื้อสัตว์ไม่โกหกไม่มีศีล กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มสุรานี้มีสีแต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปสั่งเขาก็ไม่ได้ถ้าเราไปสั่งเขาล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่หนึ่งตัวพรุ่งนี้จะไหว้เจ้าจะเอาไก่หนึ่งตัวถ้าไปสั่งเขาก่อนนี้ไม่ได้ละเพราะสั่งนี้ก็แสดงว่าเรามีส่วน ทำเองก็ดีสั่งให้เขาทําก็ดีถือว่าบาปเหมือนกนันถ้าอยากจะไหว้เจ้าไปซื้อเป็ดซื้อไก่ก็ไปที่ตลาดแล้วดูว่ามีเป็ดหรือไก่เขาขายหรือไม่ที่ตายแล้วถ้ามีก็ซื้อมาอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ไหว้เจ้าก็ไม่ได้บุญเองเอาเป็ดไก่ไปไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็เอามากินเอง อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญจากการไหว้เจ้าก็เอาเป็ดไก่นี้ไปใส่บาตรไปทําบุญไปถวายทานหรือไปให้คนยากคนจนก็ได้เช่นไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็เอาเป็ดไก่นี้ไปแจกคนยากจนไปที่สถานเด็กกำพร้านคนชราคนยากคนจนหรือจะ เปิดโรงทานให้ใครมารับประทานอาหารอาหารที่เราเอาไปไหว้เจ้าก่อนนี่เสร็จ แ, แล้วเอามาทำบุญทาทานได้ใส่บาตก็ยังได้ไม่เสียหายตรงไหนขออย่าเอาอาหารบูดมาใส่บาตรเท่นั้นเองแต่อาหารที่ไหว้เจ้าแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามที่จะไม่ให้มาใส่บาตร เพรามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเป็นความเชื่อเฉยๆว่าไหวเป็นความเชื่อว่าเรายกให้คนตายไปแต่คนตายก็ไม่รู้เรื่องหรอกคนตายก็ไม่ได้มาแตะแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มาแตะก็พวกแมลงวันมากกว่าไหวยแมลงวันมากกว่าไม่ได้ว่ายเจ้าถ้าอยากจะได้บุญจากการไหว้เจ้าก็เอา ของที่ไหว้เนี่ยไปทำทานทำบุญใส่บาทพระก็ได้เลี้ยงเพนพระก็ได้เปิดลงทานก็ได้ใคร ย, ยคนไครไม่มีอาหารมาผ่านมาก็ก็กินไดน้ต้องทำบุญจะเกิดได้ต่เมื่อเรามีการเสียสละสิ่งที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่น การไหาเจ้านี่ไม่ได้เสียสละซื้อเป็ดซื้อไก่มาไหว้เสร็จแล้วเราก็เอามากินกันมันก็เหมือนกับไม่ได้ไหว่อยางงั้นต้องอย่าไปต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าการทำบุญการไม่ทำบาปเป็นอย่างไร คนบางคนคิดว่ากินเจแล้วได้บุญไม่ได้บุญนะกินเจกับกินเนื้อสัตว์มันก็เหมือนกันมันจะไปบุญตรงไหนเมื่อเราไม่ได้เอาของไปให้คนอื่นกินถ้าจะเอาอาหารเจรที่เราจะกินนี่ไปให้คนอื่นกินอย่างเงี้ยถึงจะได้บุญแต่ถ้าเราทําแล้วเอามากินเองนี่มันก็ไม่ได้บุญซื้อมาแล้วมากินเองก็ไม่ได้บุญ การกินเจไม่ได้บุญนอกจากสมัยก่อนสมัยที่เวลาทำอาหารต้องค่าสัตว์เองฆ่าเป็ดค่าไก่เองแล้วมากินเจกันก็ไม่มีการค่าเป็ดค่าไก่ก็ละเว้นจากการทำบาปอย่างนี้ก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าเราไม่ได้ ทำบาเราไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วแต่มีคนอื่นเขาฆ่าให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปขอร้องเขาไปสั่งเขาแต่เขาต้องการทำเองเพราะเขาไม่มีวิธีอื่นเลี้ยงชีพเขาก็เลยใช้วิธีนี้เลี้ยงชีพก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราคุยกับเขาได้เขาฟังเรา ถ้าเราอยากจะช่วยเขาเราก็บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่ดีเป็นบาปเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพอย่างนี้เราก็บอกเขาได้ถ้าเขาฟังถ้าเขาไม่ฟังก็อย่าไปพูดเดี๋ยวเขาจะด่าเราแล้วกูจะทำอะไรกินเนีย๋ยเราไปบินนาบาดหมู่บ้านชาวประมงเนี่ย เขาก็ออกหาปลาหากุ้งหาเป็ดหาไก่ทุกวันเลแต่เขาก็ใส่บาต ท, ทุกวันนล้นจะไปบอกก็อย่าไปทำอาที p นี้นะเขาทามาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายของเขาแล้วที่พูดนี้เพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำบาปของเขาและเราไม่ได้การเรากินเนื้อสัตว์ที่เขามาขายนี่เราไม่ได้มีส่วนมันเป็นเรื่องของ วิถีชีวิตของเขาที่เขาดาเนินมาด้วยความไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้เราจะซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดหรือไม่เขาก็ทาของเขาอยู่นะั่นเองแต่ว่าเขาจะทํามากทําน้อยถ้าคนซื้อมากเขาก็ทามากถ้าคนซื้อน้อยเขาก็ทําน้อยถ้าไม่มีคนซื้อเลยเขาก็ยังทํเพราะเขายังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาอยู่ เเขาใช้วิธีนี้เป็นวิธีเลี้ยงปากเลีเ้ยงทองเขาทีนี้ก็หามาได้มากเขาก็ะไรส่วนเกินที่ก็ไม่เอามากินเขาก็เอาไปขายหรืออาไปแลกเปลี่ยนสมัยก่อนอาจจะไม่มีเงินทองเขาก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันคนที่มีเนื้อมากก็เอาไปแลกกับคนที่มีผักมากคนที่มีข้าวมากก็แลกเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ละคนที่เกิดมาจะมีวิธีชีวิตอย่างไร บางคนเกิดมาเป็นพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่เขาก็ปลูกข้าวปลูกผลไม้อะไรไปปลูกผักไปคนที่มีอาชีพประมงเขาก็ไปจับปูจับปูอะไรกันไปแล้วเขาได้สิ่งที่เขาหามาส่วนเกินเขาก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเป็นการเป็นวิถีชีวิตของเขาของแต่ละคน ดันั้นเรามี ว, วิถีชีวิตของเราคือเราไปทำงานไปหาเงินเราได้เงินมาเราก็ไปซื้อของที่เราต้องการมีเป็ดมีไก่ที่เขาฆ่าแล้วขายแล้วก็ซื้อมามันก็ไม่ได้ไปมีส่วนที่จะไปไปส่งเสริมหรือว่าไปห้ามไม่ให้เขาทำอาชีพนั้น มีเราไม่มีเราเขาก็ทำอาชีพนั้นแหละเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของเขามีคนที่กินเจเขามักจะให้แง่คิดว่าการที่เราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ถึงม้จะตายแล้วมากินก็เป็นเหมือนกับการส่งเสริมให้เขาทำอาชีพนี้ทัิงไม่ได้ส่งเสริมเขาทามาก่อนที่เราจะไปซื้อถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ยังทำอยู่ เขาเยังต้องทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาอยู่แล้วเป็นอาชีพที่เขารู้จักที่เขาทำได้เขาก็ทำของเขาไปกือจริงแต่เขาอาจจะทำมากขึ้นน้อยน้อยลงเท่านั้นเองอย่างยังไงมันก็บาปอยู่ดีแต่พวกชาวประมงชาวบ้านที่เขาทำอาชีพนี้เขาก็มีวิธีที่จะบรรเทา โทษของการทำอาชีพนี้ด้วยการใส่บาททุกวันเขาก็ได้ทำบุญทุกวันเขาทำบาปทุกวันแต่เขาก็ได้ทำบุญทุกวันเวลาตายไปเนี้ยบุญกับบาทนี้ก็จะมามามาดึงใจของเราให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบา บุนก็ดึงไปทางสวรรค์ก่อนแต่ไม่ได้มายความ่าบาปหายไปนะบาปก็ยังมีอยู่สมมติมว่าบาปมีถ้าบาปเป็นวัวห้าตัวบุญเป็นวัวสิบตัววัวสิบตัวมันก็ต้องมีกําลังมากกว่าวัวห้าตัววัวห้าตัวก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนจนกว่าแรงของวัวห้าตัวนี้หมดหรือเท่ากับบาปนะ กำลังลดลงมาเหลือเท่าวัวห้าตัวบา қ, ปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงอยู่ในสวรรค์ไม่ได้ก็ลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี้เป็นจุดที่บุญกับบาปไม่มีกำลังมากกว่ากันมีกำลังเท่ากัน<ม>บุญมีกำลังเท่ากับบาปจะดึงไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะดึงไปอบายก็ไปไม่ได้ก็เลยมาเป็นมนุษย์กัน พวกที่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ดึงไปอบายก่อนพอบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อย่างพระเทวทัศน์เนี่ยท่านพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแล้วท่านก็บวชมาหลายสิบปีบุญกับบาปท่านก็มีแต่บาปมันมากกว่าบาปที่จะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นบาปหนักมาก ก็ถึงแม้ได้บวชมา20ปีบุญที่ได้จากการบวชนี่ก็ยังสู้บาปไม่ได้บาปทำเพียงไม่กี่วันพยายามเข้าเจะเจ้าสามครั้งแต่ผลน้ำหนักมันมากกว่าบุญที่ได้จากการเป็นนักบวชมีฌานมีฤทธิ์ก็ยังสู้บาปที่ทำไม่ได้ก็ต้องไปรับผลบาปในน ร, รกก่อน จนกาบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทำบุญต่อมาบวชมาปฏิบัติแล้วก็จะได้ตัดสิริปเป็นพระปัจเกะพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญของบาป ท, ที่มันไม่หมดที่มันเพียงแต่ผัดกันนึงผัดกันรับ บุญตัวไหนมีกำลังมากกว่าเช่นบุญของ อ, องคุลิมานเนี่ยฆ้าคนต้อง999คนแต่มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดกิเลสให้หยุดกิเลสเราหยุดแล้วเธอต่างหาที่ยังไม่หยุดหยุดอะไรก็หยุดความโลภความโกรธความหลงพอหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็ไม่กลับมาเกิดเลย บุญที่สูงสุดก็บุญที่เกิดจากการหยุดกิเลสหยุดตัณหาความอยากต่างๆพอหยุดแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาฉุดให้มาเกิดถึงแม้ว่าจะมีโทษแต่มีบาปแต่ไม่มีไม่มีตัวดึงมาตัวที่ดึงมามันถูกตัดไปตัวบาปนี้มันมีอยู่แต่ตัวที่จะ ที่จะให้บาปเดินไปมันไม่มีถ้ามันรถก็เหมือนกับว่ารถที่ไม่มีเครื่องยนต์มีรถมีวัวมีตัวบาปแต่ตัวบาปนี้ไม่มีเครื่องยนต์มีรถแต่ไม่มีเครื่องยนต์รถก็วิ่งไปไม่ได้ตัวที่ขับเคลื่อนพบชาติก็คือกิเลสตัณหาเครื่องยนต์ที่ปรับขับเคลื่อนให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิด ไปเกิดบนสวรรค์หรือไปเกิดในอบายนี้ก็คือตัณหาความอยากกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องมือของบุญและบาปอีกทีบุญกับบาปนี้ยังต้องมีเครื่องมือเหมือนมีเครื่องยนต์ของรถยนต์บุญกับบาปนี้เป็นเหมือนรถยนต์แต่ถ้าเราถอดเครื่องยนต์ออกจากรถยนต์แล้วมันก็วิ่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทัานใด บาปที่ทํามาขององค์ุลิมาฆ่าคนเก้า้อยเก้าสิบเ้าคนแต่พอเอาเครื่องยนต์ออกจากบาปทั้งหมดแล้วบาปนี้ก็ไม่สามารถที่จะดึงใจให้ไปเกิดเพื่อไปไปรับผลบาปได้เองค์ุลิมานก็เลยหลุดจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือกลับหรืกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเพราะได้ขั้นสูงสุด ถ้าได้ขั้นแรกได้ขั้นโสดาบันนี้ก็จะรอดจากอบายแต่ยังต้องมาเกิดมารับผลบุญที่ได้ทําไว้คือถ้าเป็นสโสดาบันนี้จะไปถอดความโลภความโกรธความหลงเกี่ยวกับการทําบาปก็เลยบาปที่ทําเลยไม่มีเครื่องยนต์ที่จะดึงไปให้ไปเกิดในอบายแต่บุญที่ดึงให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ยังยังไม่ได้ถูกถอดออก อาสวัดาบันยังมีความโลภโกรธหลงอยู่อยู่บางแยกอยู่อีกหลายส่วนด้วยกันอันนี้ก็ถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงขึ้นไปขั้นสกิาทาคามีก็ น, น้อยลงอนาคามีก็น้อยลงพอขั้นพระอรหันต์ก็หมดความโลภโกรธหลงก็หมด พอหมดแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระโสดาบันนี้ยังกลับมาเกิดอีกแต่ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากพระสกิดาคามีก็มาเกิดไม่เกินหนึ่งชาติมาเกิดในภพของมนุษย์ส่วนพระอนาคามีนี้ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์จะไปเกิดบน ภบของพรมแล้วก็จะไปเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปไปไ ป, ไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงบุญกะบะไม่สามารถดึงจิตดวงนี้ไปให้ไปเกิดในภพทั้งสามได้ในการมาพบในรูปะภพอารูปะภพ กามาพบก็คือพบของผู้ที่เสพกามเช่นมนุษย์และเทวดาสัตว์เลร้ยงาฉันนพวกนี้ยังเสพกามอยู่รู ป, ปรพบกับอรู ป, ปรพบเป็นพบของผู้ที่ได้รูปประชานกับอรูปประชานพวกที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าได้ฌานสี่ก็เป็นรูปประพบถ้าได้อรูปประชานสี่ก็ได้อรูปประพบ นี่คือเรื่องของบุญของบาปที่พวกเรามาทำกันในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้วิธีถอดเครื่องยนต์ของบุญและบาปออกก็จะต้องเกิดขึ้นเกิดเกิดแก่เจ็บตายสลับกันไปไปเกิดบนสวรรค์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้าง กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญทําบาปใหม่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างพอกลับมาจากอบายก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่ก็จะขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไปจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่งถึงจะมีโอกาสที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นๆลงๆ พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดท่านรู้ตัวที่ผลักที่ขับดันให้ไปเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่ความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆอันนี้เป็นตัวเดียวกันชื่อเป็น ต, ต่างชื่อความโลภก็คือความอยากนี่ความโลภก็มีสามคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากใหญ่อยากเป็นใหญ่อยากเป็นอยากใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆเรียกว่าภาวะตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นนัก็เรียกว่ากามตัณหาอยากในอยากไม่ให้เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือความโลภสามตัวนี้ที่ต้องกําจัด ถ้าไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโลภความโกรธจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธขออะไรเนี่ยเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าเพราะขอขอรับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็โกรธโกรธก็เลยนาไปสู่การทาบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาป ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นไม่นานแล้วหลุดพ้นเหมือนพระสาวกองค์อืน่นเหมือนพระอานนท์พระอะไรพระเทวทัต น, นี่ก็เป็นเจ้าชายนะเป็นญาติของพระพุทธเจ้ารู้สึกตอนบวชนี่เจ้าชายบวชพร้อมกันห้าลูกมีพระอานนท์พระอนุรุท ธ, ธะพระเทวทัตแล้วมีอีกสองลูกไม่ทราบจำชื่อไม่ได้แล้วมีมีบ่าวติดตามเป็นช่างตัดผม ชื่ออุบาลีขอบวช ด, ด้วยแล้วตอนบวชเจ้าชายก็ตัดสินใจร่วมกันว่าต้องให้อุบาลีบวชก่อนเพราะบวชมาเพื่อมาล ะ, ะกิเลสคือการถือตัวถือว่าเป็นเจ้าชายเพราะว่าใครบวชก่อนก็ถือว่าอาวุโสคนบวชหลังก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่บวชก่อน ก็เลยให้อุบาลีบวชก่อนพอเวลาบวชแล้วจะได้กราบไหว้อุบาลีกราบไหว่บาวเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้บวชเป็นเจ้านายแต่พอบวชแล้วกลายเป็นบาวกลายเป็นให้อุบาลีเป็นอาวุโสเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อจะได้ลดกิเลสการบวชนี่ครับเพื่อมาลดกิเลสมาละกิเลสการถือตัว ถือว่าเราใหญ่เ้วเคยเป็นนั่นเป็นนี่มาถ้าคนมาบวชยังถือตัวนี้อยู่นี่จะบวชนำบา่าพอเดี๋ยวไปเจอคนที่เอาเป็นคนรับใช้เราแล้วต้องไปกราบเขารู้สึกว่ามันจะขายหน้ารือแต่คนที่บวชจริงๆก็ไม่ถือกาไม่ถือตัวแล้วเขาถือว่าเขาตายจากสถานภาพเดิมแล้วจากการเป็น ใหญ่เป็นโตพอมาบวชนี่เหมือนมาเกิดใหม่เหมือนชาตินี้เราเป็นนายกเนี่ยชาตินาตายไปอาจจะไปเกิดเป็นขอทานเราจะมาอ้างว่าชาติก่อนฉันเป็นนายกอฉันจะไปเป็นนายกต่อไม่มีเขาค่ายเป็นเขเป็นขอทานอยู่อันนี้ก็คือเรื่องของการบวชบวชเพื่อมาถอดเครื่องยนต์ที่จะ ดึงบุญดึงจิตดึงใจให้ไปรับผลบุญผลบาปถ้าถอดเครื่องยนต์คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆออกไปจากใจได้หมดก็จะไม่มีตัวผักดันให้ไปเกิดในที่สูงหรือเกิดในที่ต่ำบุญบาปทั้งหลายที่ทำไว้ก็ถือว่าโมฆะไปะนี่แหละก็เรียกว่า ศูนย์จริงๆต้องไปศูนย์ที่พระ น, นิพพานบุญก็ศูนย์บาปก็ศูนย์ทำบุญมามากน้อยเพียงไรทำบาปมานั่งไม้เพียงรก็จะไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีเครื่องจกักรเครื่องยนต์ที่จะดึงใจให้ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปต้องเกิดถึงจะไปรับผลบุญผลบาปได้ พอจะเข้าใจได้ยังเรื่องใส่ชุดขาวแล้วไม่ใส่ชุดขาวก็ไม่สำคัญใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ที่ให้ใส่เสื้อผ้าเพื่อจะได้แยกตัวเองออกจากหมานั่นเองนี่จะไปใส่ชุดไหนมันก็ไม่สำคัญเสื้อผ้านี้มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อแสดงความเป็นมนุษย์ว่ายังมีความมีฮีเลโอตะปะมีความยางอาย ไม่เหมือนคนสมัยนี้เยอะไม่กลัวไม่ไม่มีฮีริกันละไม่มีโอดตปะปาละพยายามโชว์แข้งโชว์ขาโชว์อะไรกันจะได้เป็นเหมือนหมาไงทาไมให้ก็อย่าไปใส่มันเลยหมดเรื่องจะแข่งกับหมาทั้งทีว่าอย่าสมัยนี้เอาหมามาแข่งกับคนไปเอาเสื้อผ้ออาไอ้หมาใส่ส่วนคนไปแข่งกับหมา หมาไปแข่งกับคนคนก็พยายามตัดเสื้อผ้าให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ไปใส่ให้กับหมาให้หมาใส่แทนต่อไปหมาจะได้เป็นคนคนจะได้เป็นหมาเขาเขาดูดูพวกคนป่าคนป่าก็ไม่มีเสื้อผ้ากันใชเขาก็มีใบมงใบไ ม, ไม้ปิดอะไรของเขานิดหน่อยนั้นเขาก็อยู่แบบเดราฉาน เขาไม่เห็นว่ามนุษย์นี้มีศีลมีความรู้สึกผิดถูกดีชั่วมีความรับรู้ว่าการที่มนุษย์จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี้มันต้องมีกฎมีระเบียบไม่ใช่อยู่กันตามความอาเภอใจอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะนอนกับใครก็นอน ไม่ถือไม่ไม่สนใจว่าจะเป็นใครไม่มีคู่เจอใครก็อยากจะนอนกับใครก็นอนกันเแถวพัทยาใตเ้เป็นพวกเนี่ยพวกที่ไม่มีศีลธรรมเขาเจอใครก็เดี๋ยวก็ไปเข้าไปในบานเดี๋ยวไปเจอกันเขาก็ไปแล้ว อยากจะนอนกับใครก็ไปหากันในบ้านนั่นะนี่เป็นมนุษย์นี่เราอยู่อย่างมีความรับผิดชอบอยู่เพราะว่ามันเมื่อมันมีการรูปกหกลับนับนอนเดี๋ยวมันก็ต้องมีลูกมีเต้าขึ้นมาถ้าไม่มีการรับผิดชอบเดี๋ยวก็ฆ่าทำแท้งกันทำบาปกันอีกเอาถึงให้มีครอบครัว เพราะว่าเมื่อมีลูกมีเต้าเราจะได้ดูแลเลี้ยงดูกันขึ้นมาเพราะเด็กมันต้องมีพ่อแม่อันนี้พ่อแม่ทิ้งเด็กกันเยอะนะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็จะเป็นเด็กที่เป็นปัญหาของสังคมต่อไปมีอาชญากรรมอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะเด็กขาดการดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน สังคมจะเน่าเฟะไปเรื่อยๆถ้าไม่มีศีลธรรมการเป็นมนุษย์นี่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะทุกคนจะเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดง่ายก็คือทำบาปถ้ารักษาศีลมันยาก<ม>ก็ไปห า, หากินกันแบบง่ายๆขายเนื้อขายตัวกั น, น แล้วพอมีลูกออกมาก็ยกให้คนอื่นไปทิ้งให้สถานเด็กกำพาเลี้ยงไปแล้วดีดีไม่ดีตัวแม่เองก็ตายติดโรคต่างๆอายุสั้ น, <ม>นสังคมเขาผ่านมาเขามีเหตุการณ์นี้ผ่านมาเขาจะเห็นคุณค่าของการมีศีลพ่าเมื่อมีศีลแล้วอยู่มนุษย์จะอยู่กันอย่าง นมเย็นเป็นสุขปลอดภัยไม่เหมือนกับอยู่แบบเดราชานเดราชานนี่เขาไม่ปลอดภัยเขาต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวเขาทำอะไรนี่หันแ้หนขวาอยู่เรื่อยอเพราะเผลอเดี๋ยวโดนตัวใหญ่กว่ามากินไปมากัดกินไปแต่มนุษย์เราถึงว่าจะตัวใหญ่กว่ามีพลังมากกว่าก็ไม่ไปทำร้ายผู้ที่มีกําลังน้อยกว่า เพราะเรามีกฎกติกามีการลงโทษเราไปทำร้ายผู้อื่นก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางอะไรมันก็เลยทำให้คนมีความเกรงกลัวต่อการทำบาปทำผิดกฎหมายแต่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญแล้วไม่มีการสนับสนุน จะเอาหน้าที่ให้มาทาหน้าที่ต่อไปสังคมก็จะไม่มีผู้รักษากฎหมายกันต่อไปก็จะกลายเป็นสังคมของเดลฉานไปต้องคุ้มครองตนเองต่อไปทุกคนก็ต้องพกพาอาวุธไปไหนก็ต้องมีมีหน่วยคุ้มกัน ถ้าไม่คุ้มกันเดี๋ยวก็ถูกผู้ที่เขาไม่ปรารถนาดี mm hmm. ก็จะอยู่กันในลักษณะเหมือนกับเดลอาชานถ้าสังคมไม่ไม่มีศีลห้ามนุษย์ก็จะอยู่เหมือนกับเดลอาชานอยู่กันอุ mm hmm. ตจ้าก็ทรงทานายว่าศีลสังคมจะเสื่อมลงไปเรื่อยศีลธรรมจะจะน้อยลงไปเรื่อย เพราศีลธรรมกับกิเลสมันเป็นข้าศึกกันกิเลสไม่ชอบศีลธรรมวันที่ชอบทำตามกิเลสไม่ชอบศีลธรรมเพราะทําให้ทํายากอยากจะได้อะไรมามันยากถ้าไม่มีศีลธรรมมันง่ายมีกําลังสักอย่างมีอํานาจสัอย่าง ก็เลยจะหลงไปกับการสร้างอำนาจกันสร้างกําลังกันเพื่อเอามาเข็นฆ่ากันมาทำลายกันสังคมไม่สนใจให้ความสำคัญกับศีลธรรมถ้าทุกคนให้ความสำคัญกับศีลธรรมสังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบอย่างปลอดภัยถ้าทุกคนรักษาศีลหได้เ น, นี่ไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ต้องมีกุญจงกุญแจปิดมุ้งปิดบ้านล็นอกประตูบ้านเลยไม่ต้องมีเพราะไม่มีใครขโมยของกันไม่มีไปไหนก็ปลอดภัยจะไปไหนเวลาไหนก็ได้ไปที่เปลี่ยวคนเดียวก็ได้ไม่มีใครทำลายกันนี่คือประโยชน์ของการมีศีลธรรมจะทำให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข แต่การจะมีศีลธรรมได้ก็ต้องมีคนคอยสั่งคอยสอนซึ่งเดี๋ยวนี้คนสั่งคนสอนก็มีน้อยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีศีลธรรมกันพ่อแม่ก็ทำผิดศีลผิดธรรมกันเดี๋วนี้ทางบ้านเมืองก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลธรรมกันเท่าไหร่ส่งเสริมเรื่องการวิชาความรู้ต่างๆแต่ไม่ส่งเสริมเรื่องของการรักษาศีลกัน เพราะมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องให้โต๊ะให้แล้วก็ถ้าไม่มีบาไม่มีผับก็ไม่มีนอกท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ไม่มีรายได้แต่เราจะเอารายได้ทาไมเอารายได้มาแล้วทำให้บ้านเมืองเราวุ่นวาย แต่ทีนี้คนที่มาปกครองบ้านเมืองเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีศิลธรรม้เขามองไปพัฒนาทางด้านวัตถุกันก็เลยเห็นเห็นศิลธรรมเป็นอุปสรรักพยายามเนี่ยพยายามล้มล้างศิลธรรมอยู่เรื่อยๆพยายามให้ออกกฎหมายเปิดบ่อนเจรีเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นการล่มล้างศีลธรรมนะบ่อนก็การพนันการพนันก็ถือว่าเป็นอบายอมุกเป็นบอ่อเกิดของความเสื่อมบอ่อเกิดของการกระทาบาปเนยแต่ก็ไปมองในด้านบวกว่าะจะได้มีเงินเข้าประเทศมีคนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็จะความทีิเขาไม่ได้มาเที่ยวบ่อนหรอก ที่เข้ามาก็มาเที่ยววัดมากกว่าก็มาดูศิลธรรมของคนไทยมากกว่าคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ถามว่าเขาชอบอะไรเ็าชอบคนไทยเาว่าคนไทยยิ้มเก่งแต่เดี๋ยวนี้ยิ้มไม่ค่อยออกกันแล้วเพราะความโลภความอยากอย่างนี้เมื่อก่อนนี้คนต่างชาติมาเที่ยวเราจะมักจะดูแลเขาอย่างดี อย่างนี้กลับมาป้นมาจี้มาข่มขืนมาฆ่าเขาแล้วเนี่ยเพรศีลธรรมมันเสื่อมลงไปเรื่อยศีลธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ยากมนุษย์ให้ออกจากเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขาไม่มีศีลธรรมสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่รู้จักข้อห้ามห้าข้อนี้ เวลาเขาหิวเขาก็กินขโมยก็ได้ก็ขโมยฆ่าได้ก็ฆ่า mm hmm. เวลาเ็าอยากจะร่วมหลับนอนกับใครเขาเจอใครเขาก็หลับนอนได้เขาก็หลับนอนกันไป mm hmm. แล้วพอตั้งท้องก็เลี้ยงดูกันไปเอง mm hmm. เห็นไหมหมาเวลามันท้องมี ม, ม, มีสามีมาคอยเลี้ยงลูกใครรเปล่า mm hmm. สามีมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ สังคมปัจจุบันนี้ก็คล้ายๆกับของสุนัขนะเวลาภรรยาออกลูกสามีไม่รู้หายไปไหนนะสามีไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนะภรรยาเรื่องเล็กไม่ไหวก็เลยไม่เลี้ยงไม่ไม่คลอดออกมาไปทําแท้งดีกว่าก็ไปทําบาป ก, กันหรือเลี้ยงออกมาคลอดออกมาก็ไปฝากยายฝากย่า เองไม่มีปัญญาเด็กก็เป็นเด็กคล้ายๆเด็กกำพร้าไปไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตัวก็ไม่รู้เรื่องศีลและธรรมเหมือนกันแล้วก็จะถ่ายทอดกันต่อไปเสื่อมกันไปทีละนิดเทียบหน่อยจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง นี่คือเรื่องของความเสื่อมทางด้านศีลธรรมและความเจริญของทางด้านกิเลสตัณหาอนนี้เราพัฒนากิเลสตัณหากันสร้างนู่นสร้างนี่กันเดินทางสะดวกรวดเร็วก็เพื่อจะได้ถูกใจกิเลสกิเลสชอบทาอะไรง่ายๆเร็วๆไวๆอยากจะไปไหนไวก็เลยต้องสร้างนูน่นสร้างนี่กัน จะสร้างก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินกับต่างชาติเขาแล้วก็ต้องอทำตามข้อเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เช่นเขาบอกต้องเอาสุราของเขามาขายในประเทศเราเราก็ต้องขายให้เขาเพราะเราต้องการเงินเขาไปกู้เงินเขาแล้วเขาก็บอกว่าต้องเปิดเสรีสินค้าที่เขาจะขาย ในประเทศเราขายได้หมดดีไม่ดีถูกศีลธรรมไม่ถูกศีลธรรมก็ไม่สนใจเพรโลกที่เขาเจริญทางวัตถุนี้ <S <S เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความเจริญทางด้านศีลธรรมมันขัดกันไงมันสวนทางกันถ้าเจริญทางด้านวัตถุนี้มักจะไม่เจริญทางด้านศีลธรรมถ้าเจริญทางศีลธรรมนี้จะไม่เจริญทางวัตถุ อย่างประเทศที่ยังไม่ค่อยจะเดินพวกภูฐานนี่ยมเขาก็ยังมีศีลธรรมกันอยู่กันอย่างสงบ mm hmm. เขาไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถใต้ดินไม่มีเด็กรามบ้านช่องไม่มีศูนย์การค้าต่างๆเขาอยู่แบบโบราณคนโบราณอยู่เขาก็เลยมีเวลาที่จะดูแลเรื่องศีลธรรมได้ เมืองไทยเมื่อสัก50ปีก่อนก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยเจริญสมัยก่อนก็ไม่มีวัตถุมากคนก็จะเข้าวัดกันเป็นประจำคนสมัยก่อนเขารู้จักวันโกนวันพระกันสมัยนี้ถามเด็กก็รู้ว่าพวกนี้วันอะไรไม่รู้วันนี้วันอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อวันไปโรงเรียนวันไปทำงานวันพระวันโกนมีไว้ทำไมไม่รู้ ก็มีไว้สำหรับให้เรามาเรียนเรื่องศีลธรรมกันไงนมาเรียนศีลธรรมแล้วมาฝึกขัดปฏิบัติศีลธรรมกันอย่างนี้ไม่ค่อยมีละมีแต่เฉพาะคนที่สนใจชอบศีลธรรมมาก่อนในอดีตเนี่ยเคยทำมาแล้วมันติดนิสัยมาถึงอยากเข้าวัดกัน พวกที่ไม่มีของเดิมมานี่ก็ ını, ถ้าไม่มีใครช่ำจุงก็ここจะไม่เข้าก็จะไปเข้าผับเข้าบาร์กันไปศูนย์การค้ากันไปสูนสนามสวนน้ำกันที่เล่นกันสถานบันเทิงต่างๆไปทางกิเลสตัณหาไปหาความสุขทางทางทางร่างกายกัน ที่ต่อไปจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะเวลาร่างกายไม่สามารถไปทำได้เวลานั้นอยู่บ้างก็ซึมเศร้าแล้วก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าคนเข้าวัดนี่จะรู้จักวิธีหาความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายแก่ก็จะไม่เดือดร้อน ยังสามารถมีความสุขได้นี่คือเหตุที่ทำไมต้องมีวันพระวันคำว่าวันโกนก็คือวันที่พระโกนผมพระทัานจะโกนวันก่อนวันวันพระแต่ท่านโกนเพียงเดือนละครั้งแต่เขาก็เรียกวันวันก่อนวันพรว่าเป็นวันโกนไปอย่างวันนี้เป็นวันโกนของพระจริงๆวันนี้วันก่อนที่จะพระจันทร์เต็มดวง ตรงนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำวันโกนจริงๆก็คือวันขึ้นสิบสี่ค่ำคือวันนี้แต่วันอื่นวันก่อนวันพระวันอื่นนี้เป็นวันโกนตามที่เขาพูดกันเรียกกันวันโกนก็มีสองความหมายวันก่อนวันพระแล้วก็วันที่พระโกนผมถึงมีวันโกนวันพระ สมัยก่อนเขาจะหยุดงานกันก็หยุดวันโกนวันพระกันจะได้เข้าวัดกันวันพระก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆมีการศึกษามีการปฏิบัติกันเข้าวัดก็รักษาศีลห้ากันศีลแปดกันทำบุญใจบาตรกันฟังเทศฟังธรรมศึกษาวิธีหาความสุขทางใจกัน สำหรับคนที่สนใจเรื่องความสุขทางใจก็จะไม่รอวันโกนวันพระจะเข้าบ่อยๆมีเวลาโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเข้าเพราะได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติแล้วก็เห็นประโยชน์ที่ได้รับว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะได้รับจากทางร่างกายก็จะเข้าบ่อยมากกว่าคนทั่วไป คนทั่วไปก็สมัยก่อนก็รอวันพระไปวัดกันวันพระอย่างนี้วันพระก็ไม่มีไปเหมือนกันแต่น้อยเพราะวันพระบางทีก็ไม่ตรงกับวันหยุดทำงานคนสมัยใหม่เขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันเห็นพรุ่งนี้วันพระก็เป็นวันศุกร์คนที่ทำงานก็มาวัดไม่ได้เขาก็ไม่มาพอวันหยุดเขาก็ไม่มาอยู่ดี เขาก็ไปเที่ยวอยู่ดีสมัยนี้เราเลยต้องสอนให้ปรับวันพระให้เป็นไปให้ให้ตรงตามวันหยุดความจริงวันพระมันไม่ได้อยู่ที่วันที่เขากำหนดสมัยก่อนเขากำหนดเพราะเป็นเป็นวันหยุดทำงานดังนั้นวันพระสมัยใหม่นี้ต้องเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันไหนที่เราหยุดทำงานวันนั้นเป็นวันพระของเราถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จาก พระพุทธศาสนาเราก็ต้องเข้าวัดในวันหยุดทำงานของเราเข้าวัดแล้วเราจะได้มาศึกษาเรื่องศีลและธรรมเรื่องอการทำให้ทําความสุขทางจิตใจสร้างความสุขทางจิตใจเมื่อได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะ ได้ผลคือมีศีละธรรมก็อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขทําใจให้สงบสร้างความสุขทางใจได้ก็ไม่ต้องไปดืน่นลนหาเงินหาทองหาลาภหายุทธต่างๆเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าก็<ม>ทาให้อยู่อย่างสบายไม่ต้องไปเครียดกับการแก่งแย่งชิงดีกันทุกวันนี้เครียดกับการแก่งแย่งชิงดีในเรื่องของาลาภยศสรรเสริญ ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรดกันเมีการแข่งแย่งชิงดีก็มีการทะเลาะวิวาทกันมีการทําร้ายกันทําลายกันมีการจองเวรจองกรรมกันได้อะไรมาก็ไม่มีความสุขเพราะมันมีพิษทางจิตใจมีโทษทางจิตใจผู้แพ้ก็ก็โกรธเราเกลียดเรา ถ้าเราแพ้เราก็โกรธเขาเกลียดเขาแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเรามาแข่งขันกับกิเลสของเราฆ่าตัวโลภตัวอยากนี่แล้วใจสงบแล้วก็มีความสุขถ้าอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ให้ก็รวยไปก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้เขาเป็นไปก็ไม่มีใครจะมาโกรธมาเกลียดเราเพราะเราไม่ได้ไปขัดขวางเขาไม่ได้ไปแย่งกับเขา เรามาสู้กับกิเลสตัณหาดีกว่าชนะกิเลสตัณหาแล้วได้ความสุขมากกว่าการที่เราชนะคนอื่นนี่คือประโยชน์ของการมีศีลและทำจะทำให้เราไม่ต้องมาแข่งขันกันไม่ต้องมาเข่นข้ากันไม่ต้องมาเกียรตชังกันไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันเพราะเราไม่ไปแข่งแย่งชิงดีกับใคร เรามาแก่งแย่งชิงดีกับกิเลสตัณหาตัวที่ทาราพายเราไปเกิดแก่เจ็บตายตัวที่พายเราไปเกิดในอบายในสวรรค์ดีกว่าไม่มีตัวนี้แล้วไม่ต้องไปเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ทุกย่อมมีทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่เกิดแล้วไม่มีทุกอย่างแน่นอนถ้าเกิดไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำก็ต้องมีทุกข์ มันเสื่อมมันจะต้องจบเกิดมารวยเดี๋ยวก็ตายเกิดมาจนก็ตายไม่ว่ารวยหรือจนเวลาตายก็ไม่มีใครใครสุกกันจนขนาดไหนก็ไม่อยากจะตายรวยขนาดไหนก็ไม่อยากจะตายเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้จะจนก็ยังดิ้นรนนหาความสุขเล็กๆน้อยๆได้อยู่ นี่คือประโยชน์ของศีลธรรมฉะนั้นการจะรักษาศีลธรรมต้องรู้ว่ารักษาอย่างไรอย่าไปกินเจยอย่างเดียวแล้วคิดว่าได้ศีลธรรมเดี๋ยวก็ไปเป็นเหมือนพวกวัวควายโดยไม่รู้สึกตัววัวควายมันก็กินเจไม่มันกินหญ้าใช่ไหมกินหญ้ากินผักมันไม่กินเนื้อกินอะไรถ้ากินเจทำให้คนประเสริฐเนวัวควายก็ต้องประเสริฐไปแล้ว คนจะมาเสด็จอยู่ที่ศีลธรรมอยู่ที่ทำการเสียสละแบ่งปันทำบุญทำทานอยู่ที่การฝึกหัดจิตใจทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนให้รู้ว่าอะไรทำให้เกิดความทุกข์อะไรทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาแล้วก็ไปกาจัดมันเสีย อะไรที่ไม่ดีก็กาจัดมันอะไรที่ดีก็ส่งเสริมมันแล้วต่อไปจะมีแต่ความสุขและไม่ต้องมีมีเวมีกรรมกับใครเพราะความสุขนี้ไม่ได้ไปแข่งแย่งชิงดีกับใครไม่มีใครจะมาโกรธมาเกลียดเรามาฆ่าพยาบาทเราคนที่มาบวชนี่เขามีเงินทองเท่าไหร่เขายกให้คนอื่นหมดเลยมีใครไปโกรธคนไปยกสมบัติให้คนอื่นห มีแต่ก่อคนที่ไปแย่งสมบัติเขามากกว่านี่แหละคือวิถีทางของของคนฉลาดของคนประเสริฐคือวิถีทางของพระพุทธเจ้าํำเนินตามแล้วเราจะได้ความประเสริฐได้ความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อนุโมทนาให้พรในสารานีมีใครอยากจะถามอะไรไหมอเดี๋ยวก่อนอาว่ามาคนฝากถามนะคะว่าถ้าจิตนิ่งแล้วแผ่เมตตาฝนบลุกนี่เขาจะได้รับหรือ่การแผ่เมตตานี้ต้องมีคนรับเนี่ย เช่นถ้าอยู่คนเดียวมันยังไม่มีคนรับก็ยังไม่ได้แผ่เป็นความรู้สึกของเราเอง่ยตอนนี้มาแผ่เมตตาตอนนี้ยเอาเข้าวของมาใหเ้เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาเจอใครแล้วยิ้มให้เขาเนี่เรียกว่าแผ่เมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีส่งความสุขสอขอส อ, อมาญาติแล้วแผ่เมตตาไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกอันนั้นเป็นการ เป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราพบปะกับคนหรือสัตว์เจอสุนัขนี้มันจอนจัดมาไม่มีที่อยู่อาศัยก็เอามาเลี้ยง น, นี่เรียกว่าแผ่เมตตาเจอใครเขาด่าเราก็สาธุไม่โกรธเขาให้อภัยเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเอาเวราเอาเวลาก็คือไม่จองเวร ไปทำร้ายเราเราไม่จองเวรไม่ถือโทษกอดเครื่องให้อภัยเรียกว่าแผ่เมตตาอัปยาป ช, ชาเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายเขาไม่ทุบตีกันไม่เอาแย่งผัวแย่งเมียกันนี่เรียกว่าอเวอัปยาป ช, ชาโหนตุอันนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราสวดกันนี้เป็นการสอนใจตื่นใจว่าเราต้องมีความเมตตานะ วิธีมีความเมตตาก็คือไม่จองเวรไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันให้ทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพอเวลาเจอใครจะได้ทำได้เวลาใครเขาด่าเราก็ไม่จองเวรจองกรรมเวลาใครเขาแย่งของเราไปเราก็ให้เขาไปคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปมีอีกไหม ให้เขาเข้าเขีมาเองก็ได้เขาเข้าเฟซบุ๊กได้ดูอยู่ยเข้าใจยังการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันหรือไม่พบปะกันก็ส่งของไปให้ได้เราซื้อขนมแล้วก็ส่งไปสั่งพิซซ่าแล้วก็ส่งไปที่บ้านเขาออย่างเนี้แผ่เมตตาไม่ใช่แต่สวดอย่างเดียว ส, สวนอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเรา ส, สวนเวลา ส, สวด น, นี่เป็นการสอนใจเตือนใจให้เรารู้จักว่าความเมตตาเป็นอย่างไรอาว่าไงจิตกไ ม, ไม่ดับจิตไม่ดับจิตไม่ดับเดี๋ยวนที่บอกจิตไม่มีวันตายะะจิตก็กลายเป็นดวงวิญ ญ, ญาณไปเปลี่ยนชื่อใหม่ พอออกจากร่างกายแล้วก็เป็นเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วก็จะไปไหนก็อยู่ที่บุญบาปที่เราทำเลยถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็ดึงไปอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ถ้าจาค่ะแลเวลาคนที่สมมติว่าจะก่อจะสิ้นเนี่ย เป็นคนที่พูดไม่ได้เลยไม่ได้แนละ้วหมดเป็นขักเนี่ยนะคะจิตที่ยังมีอยู่ข้างในมีมีอยู่มีอยู่แต่เขาจะรู้ทุกอย่างหมดเหมือนกันใช่รู้รู้เหมือนคนที่พูดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีจิตก็ทําไม่ได้เลพียงแต่ร่างกายพิการไม่สามารถตอบสนองคําสั่งของใจได้เนหะมือนรถยนต์ที่มันเสียเนะี่ยคนขับจะขับให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังก็ขับไม่ได้แนละ้วถ้ารถมันเสียแหละ จ, จิตที่รู้นี่คือระวังจิตใช่ไหม คำว่าจิตนี่มันมีหลายความหมายไงคำว่าจิตที่เกิดดับนี่ก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเช่นโกรธโลภโกรธหลงนี่เรียกว่าจิตอารมณ์ของจิตที่เกิดแล้วดับโลบแล้วก็หายไปโกรธแล้วก็หายไปอารมณ์ดีอารมณ์เสียนี่เรียกว่าจิตที่เกิดดับนี่คืออารมณ์ไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตนี่ไม่ดับตัวที่รู้ว่าเกิดดับเกิดดับนี่ไม่ดับ ตัที่รู้ว่าอารมณ์นี้ดับอารมณ์นี้เกิดนี้ตัวนี้ไม่ดับคือตัวจิตตัวใจแต่ตัวที่เรียกเรียกว่าจิตที่เกิดดับก็คืออารมณ์ของจิตความคิดปรุงแต่งนี่ความจําได้ความรู้สึกนี่เป็น เ, เ, ร, เรียกเราเรียกว่ามันเป็นจิตคนเรียกว่าอาการของจิตใช่ไหมอาการของจิตเนี่ยเช่นสุขบ้างทุกบ้าง อ, อ, อันนี้ก็อาการของจิตที่เกิดดับเกิดดับสงบบ้างฟุ้งบ้างอะไรเงี้ย อันนี้เรียกเรื่องเรียกว่าจิตที่เกิดดับเกิดดับแต่ตัวที่รู้นี่ไม่ดับตัวตัวมโนมโนนี่คือตัวรู้ตัวที่ออกจากร่างกายไปแล้วก็เอาจิตไปด้วยเอาตัวตัวนามขันไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไปกับตัวตัวรู้นี่ไอ้จิตตัวตัวรู้ที่มันจะดํา จำตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมคะบางอย่างก็จําได้บางอย่างก็จำไม่ได้ <c oughs> อันไหนที่เป็นนิสัยก็ทําจําได้อันไหนที่ทําแล้วเป็นนิสัยมันก็จะจํามันจะติดไปชอบทําบุญมันก็จะติดไปชอบทําบาปก็จะติดไปชอบใช้มือขวาก็จะติดไปชอบใช้มือซ้ายก็จะติดไปชอบสีเขียวสีแดงก็จะติดไปแล้วคือจะเรียกว่าจิต ด, ดวงเดิมไหมคะหรือว่าไม่ใช่ก็ดวงเดิมเ่ยเพียงแต่เสื้อผ้าเปลี่ยนร่างกายเหมือนเสื้อผ้าเนี่ย เ้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่คนใส่เสื้อผ้าก็คนเดิมแล้วก็เคยถนัดขวาเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็ถนัดขวาต่อไปอเคยชอบสีแดงก็กลับมาก็จะชอบสีแดงเต่ถ้าไปได้ใจนี่ก็ได้ใจใหม่ตาบุญและบาปเราใช่ไหมคะก็บุญบุญและบาปที่เราทำถ้าถ้าบุญก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมถ้าบาปก็จะได้ร่างกายที่เร็วกว่าเดิม แล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดตัวที่ผลักดันให้มาเกิดก็คือความโลภความอยากต่างๆก็ต้องมาทําใจให้สงบถ้าทําใจให้สงบก็จะหยุดความโลภความอยากได้กระจายนะนะมีอะไรอีกไหมอ่าทาสมาธิไม่ได้อไม่ฝึกสติไงต้องชักฝึกสติให้มากๆ อย่าเพิ่งทําสมาธิฝึกสติก่อนฝึกสติครั้งแรกนี่เหมือนเราให้เรารู้รู้ทุกครั้งที่เราทำใหมให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆก็เดินกลับมาดูที่ลมหายใจหรือถ้าเราไม่ชอบวิธีนี้ก็ใช้พุทโธหนึ่งก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไป สวดมนต์ไปมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปก็ไม่เกิดประโยชน์ได้เหมือนเด็กที่ยังยืนไม่ได้จะสอนให้เดินให้วิ่งไม่ได้หรอกต้องสอนให้ยืนให้ได้ก่อนจิตต้องยืนให้ได้ก่อนต้องมีสติต้องต้องอยู่กับที่ต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ให้ไหลไปตามความคิดต่างๆพอไม่ไหลแล้วจะให อยู่เฉยๆมันก็จะอยู่เฉยๆได้นั่นก็จะสงบจะได้สมาธิมีอะไรไหมอ่าเมื่อะะกี้ทางนี้ฮะเมื่อกี้ยกมือมาลืมๆไปแล้วไม่ลืค่ะเพราะอาจารย์คระบกลางวันเนี่ยตัวเองอยู่กับบางทีทำอะไรจิตคิดไปก็จะอาพุทโธมาหยุดความคิดที่จะมาจะบคงไปที่อื่นนะคะอืมเรับแต่ตอนคืน น, นอนมไม่หลับเนี่ย ก็ อ, อ, อยู่ก็อยาไปอยากหลับเนี่ยยิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่เวลาเวลามันมันไ ม, ไม่หลับก็พุโทโธรไปเรื่อดูลมหายใจไปเดี๋ยวมันก็หลับรูบ้สึกแปลกแตม่รเหมือนางวันอาจารย์กลางวันเนี่ยทาอะไรอยู่สมมติว่าทําแล้วคิดไปถึงก็พุโธเข้ามาอยู่ถ้าพุทธโทร่าก็ใช้ลมหายใจดูลมหายใจไปนอนดูนอ น, น, อนแล้วก็ดูลมหายใจตอนนี้กําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออก ออสมมันตก็มันไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงหรออ่ามันมันจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนั้นจะไปอย่ากให้มันเหมือนกันมันก็นอนไม่หลับไที่นอนไม่หลับเพราะไปอยากถ้าไม่มีความอยากเดี๋ยวมันก็หลับเองปรับใจให้รับกับสภาพที่เป็นอยู่อ่านอนไม่หลับก็นอนก็ลุกขึ้นมานั่งต่อสิพอนั่งเดี๋ยวก็หลับเองอ่ะพอนั่งสมาธิมันก็หลับเองอ่ะ อถ้ามันไม่นอนก็ลุกขึ้นมานั่งดีแต่คุณบางคนก็อยากจะไม่หลับกันทั้งนั้นบางคนก็ถือสามีดาบทก็ไม่ก็ไม่นอนเพื่อเขาจะได้นั่งสมาธิเยอะๆเรามีบุญนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับนี้นมีบุญรเปล่าสองคาทุกข์ก็ใส่ต้องดีใจเพ่านอนนอนไม่หลับเราจะได้นั่งสมาธิได้นานๆอที่ทุกข์เพราะไปอยากนับที่ทุกข์เพราะไปอยากหลับ คนที่ไม่อยากหลับก็จะมีความสุขโอ้ยเราไม่ง่วงแล้วเรานั่งสมาธิได้เยอะแล้วนะเปลี่ยนใจถ้าถ้าไม่หลับก็ดีต้องดีใจไปกับมันอย่าไปอยากหลับถ้าอยากหลับแล้วเดี๋ยวมันมันมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะนอนไม่หลับอถ้าไม่หลับกูัก็ลุกขึ้นมานั่งเอเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวก็หลับละกิเลสมันชอบอย่างนี้พอจะให้มันทํางานจริงๆมันไม่เอาล้วเดี๋ยวหลับ ถ้าตั้งใจขึ้นมาปาุ๊บอค่ะจริงจระบะว่าอคิดมากก็นอนยากค่ะพอตั้งใจทีไรก็หลับ <c oughs> จะได้เอเรื่อยๆออกแลเด้งขึ้นบหนั่งอ่า ม, มีอะไระกลับเขากาเจ้าค่พะพอดีมีเรื่องติดโยมมีเรื่องติดค้างในใจเนื่องจากว่ามีพี่สาวของแฟนสองคนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนที่มีชีวิตอยู่โยมดูแล แต่เขาสติสมัมปชัญญะซึ่งไม่ปกติตอนที่ดูแลก็มีอาการกระทบกระทั่งวาจาบ้างคำพูดบ้างทีนี้เหมือนเราติดขัดในใจว่าเราได้ทำร้ายเขาอย่องนี้นจะต้องทำอย่างไรบ้งอ๋อก็ <c oughs> <ๆ>ก็พยายามอย่าไปทำกับคนอื่นต่อไปอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจแต่สิ่งที่เราทำไปแล้วก็ มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ผลเราจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดไปแต่เราก็อย่าไปให้ความสําคัญกับมันเพราะมันผ่านไปแล้วให้ความสําคัญกับปัจจุบันที่เราจะทําอะไรกับใครดีกว่าว่าต่อไปนี้เราถ้าไม่อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็เราก็อย่าไปทําแบบนี้เวลาเราต้องทําอะไรกับใครก็ใช้ความเมตตา ให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันเราต่อไปความรู้สึกไม่ดีอย่างที่เรามีในวันนี้มันก็จะหายไปถ้าเป็นห่วงเขาก็ทำบุญอุทิศไปให้เขาได้เผื่อถ้าเขาขาดบุญเขารอรับบุญอยู่ก็จะได้รับบุญส่วนนี้ เข้าใจน ะ, <ด>ะมีใครอยากจะถามยังไหมไม่มีจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างน ะ, อะเอาเลยคำถามฝากถามค่ะถ้าอยากจะทรมานกิเลส ต, ตัวที่ชอบนอนทั้งที่ลดปริมาณอาหารแล้วแต่พอนั่งสมาธิแล้วยังง่วงเลยจะลองวิธีฝืนด้วยการไม่นอน แล้วจะพยายามพุโทโธพุทธโธเดินบ้างยืนบ้างถ้าทำไปบ่อยๆฝืนบ่อยๆจะช่วยให้สติมีกำลังแล้วจิตตื่นไม่มง่วงหาวหานอนใช่ได้ใช่ไหมคะใช่สติถ้ามีสติแล้วก็ใจก็จะไม่ง่วงแต่ถ้าร่างกายเหนื่อยเวลาหลับก็หลับได้ง่ายถึงแม้จะมีสติก็พอร่างกายเหนื่อยจิตก็จะปล่อยให้ร่างกายพักได้ จะไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีสติแล้วจะตื่นตลอดเวลาจะไม่นอนหลับไม่ใช่หรอกพอถึงเวลาหลับสติก็ปล่อยป่อให้ร่างกายหลับไปคำถามจากคุณกะนกพรคนที่กินเจมาเจ็ดสิบแปดสิบีแต่ก็มาฆ่าหนูในบ้านลูกว่า <c oughs> ให้เอาหนูไปปล่อยจะดีกว่าหนูก็หนึ่งชีวิตเหมือนกัน แต่แกบอกว่าไม่เป็นไรยอมที่จะทำบาปเพราะไม่ชอบลูกเพราะไม่ชอบมันลูกควรจะทำยังไงดีคะก็เขาจะทำไปห่างคนได้ยังไงเราก็บอกเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็อย่าไปมีเรื่องมีราวกันเลยก็ต้องปล่อยไปตามอัธยาศัยเราทำหน้าที่ที่ดีแล้วคือบอกแล้วว่ามันเป็นบาปถ้าเขาไม่เชื่อเขาพร้อมที่จะรับผลบาปก็ต้องปล่อยเขารับไปต่อไปเขาต้องไปเป็นหนูให้เขาฆ่านะบอกเขาแค่นั้น ถ้าบอกอย่างนี้ก็อาจจะเชื่อแล้วคำถามจากคุณลิตาข้อที่หนึ่งเวลาเราไปทําบุญหรือไปปฏิบัติธรรมมาเราไม่ต้องเป่าประกาศได้ไหมคะคือไม่ได้รู้สึกว่าต้องบอกใครมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่ของคนอื่นเราจะเป็นคนใจแคบไหมคะที่ไม่ได้ให้คนอื่นอนุโมทนาอ๋อไม่หรอกความจริงเราทําอะไรไม่ไม่ควรที่จะไปบอกหรอกนอกจากว่ามันมีเหตุผล ที่จะต้องบอกเช่นกลับบ้านเขาถามว่าไปไหนมาอย่างเงี้ยก็บอกเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าพอกลับมาถึงมาประกาศว่าข้าพเจ้าได้ไปทําบุญที่นั่นที่นีข่ขอให้ท่านทั้งหลายมาอนุโมทนาอาันนี้มันเป็นเรื่องยิเกใหญ่คือเราเราพูดเท่าที่จําเป็นมีเหตุมีผลที่จะต้องพูดก็พูดไม่มีเหตุมีผลถ้าพูดแล้วไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีก็อย่าไปพูดดีกว่า บางทีพูดแล้วเขากลับมันไสหรือว่ากับอะไรขึ้นมาแทนที่จะอนุโมทนาเขากลับบอกไปทําไมโง่ครับพวกงมงายเนี่ยพวกเข้าวัดพวกงมงายทั้งหลายไปแล้วได้เลยมีแต่เสียเงินก็เสียเวลาก็เสียสู้ไปเที่ยวดีกว่าหรือไปหาเงินดีกว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกเฉยๆดีกว่า ข้อที่2องอยไปถือศีลไปบวชไม่อยากหาเงินแล้วรู้สึกเงินมันหายายยังต้องหาเงินอยู่แต่ไม่ได้หามากมายเอาแค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สะสมแบบที่พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากหาเงินก็ไม่ต้องใช้เงินหรือใช้ให้น้อยจะได้หาเงินได้น้อยถ้าเราใช้วิธีถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วในวันพระเราก็หยุดล้าน แล้วน <ítulo> ั่งสมาธิให right? so like, ้มากทำอย่างนี้ไปก่อนจนตัดกิเลสได้จริงๆได้ไหมคะหรื้ว่าต้องตัดใจแล้วไปเลยไปบวชเป็นผู้หญิงต้องใช้เงินไหมคะก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะไปบวชแบบไม่ใช้เงินก็ไปหาวัดที่เขาเ้าเ้าเลี้ยงดูมีวัดที่เขาเลี้ยงดูหรือมีสานักแม่ชีที่เขาจะเลี้ยงดูกันดูแลกันไม่ต้องมีเงินก็ได้แต่ก็ต้องช่วยทางานกัน อยู่ในวัดทุกคนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันเพราะเราไม่ได้จ้างใครมาทำงานคนในวัดก็ต้องช่วยกันช่วยกันกว่าช่วยกันถูช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันนั่งถ้วยรัางชามบางทีก็ต้องช่วยกันทำอาหารแล้วแต่ความจำเป็นที่จะเกิดแต่ก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนทเพื่อให้ได้ทาในสิ่งที่จาเป็นต้องทาได้สาเร็จ ให้มีอาหารรับประทานให้มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยพอทาเสร็จแล้วก็จะมีเวลาไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นมีวัดที่เขาสํานักที่เขารับคนที่ไม่ต้องมีกันมีทองไปก็ได้แต่เราต้องอย่าถือตัวเราต้องพร้อมที่เป็นแฉว์คาถามจากโยมโจ๊ก ทำยังไงจะให้หมดเวรหมดกรรมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันครับก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เดี๋ยวเวรกรรมเก่าที่ทําไว้เดี๋ยวมันส่งผลหมดแล้วมันก็หมดไปเองเหมือนใช้นี่อย่างเงี้ยก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่อย่าไปสร้างนี่ใหม่ถ้าสร้างนี่ใหม่ไปใช้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดงั้นถ้าเราอยากจะหมดนี่หมดศินตอนนี้เราก็หยุดกู้แล้วก็ใช้นี่สินเก่าที่มีอยู่ให้หมดไป หหมมมดแล้วันก็คงถามจากคุณออยอจิตที่รับรู้เรื่องราวภายนอกได้นั้นโดยที่เราไม่อยากรับรู้จะแก้ไขอย่างไรคะจึงจะไม่รับรู้หรือเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นบางครั้งเกิดขึ้นขณนะนั่งสมาธิและเวลาปกติที่ใช้ชีวิตประจำวันค่ะก็อย่าไปสนใจ เราก็หาเลยยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นใช้พุทธโธพุทธโธไปเวลามีอะไรมาให้เรารับรู้แล้วเราไม่อยากจะไปรู้ก็ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือทําใจถ้าอยู่กับพุทธโธไปเดี๋ยวใจสงบสิ่งที่รับรู้ก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่สงบก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปสิ่งที่ปรากฏก็จะปรากฏก็ปล่อยเขาปรากฏไปอย่าไปอยากให้เ้าหาย ถ้าอยากแล้วจะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์เราต้องปล่อยวางเขาจะมาก็าจะไปก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสนใจเขาต่อไปเขาก็จะไม่มามารบกวนเราที่เขามาเพราะเราชอบไปต้อนรับเขาคาถามจากคุณแอนถ้าเวลานั่งสมาธิเราใช้วิธีดูลมหายใจแต่ในระหว่างวันเราใช้วิธีการดูเคลื่อนไหวของกายจะทาให้จิต เราสับสนหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่เหรอกก็ใช้ได้แทนใช้แทนกันได้ต้องใช้อย่างนั้นเพราะเวลาเราทํางานนี่ดูลมยากลมมันละเอียดกว่าดูมือดูการกระทําของเราง่ายกว่าแต่เวลานั่งมันไม่มีอะไรการกระทําก็มีแต่ลมให้ดูก็ดูลมไปใจที่ยังไม่มีสติพอนี้ยังต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไว้เดี๋ยวมันจะไหลไปกับความคิดปรุงแต่งถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วมันก็จะไม่สงบ แต่ถ้ามีอะไรยึดผูกไว้เช่นเวลาทำอะไรก็ผูกกับงานที่เราทำอยู่เวลานั่งก็ผูกไว้กับลมหายใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณสิทธิศักด์นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจนจิตสงบระดับหนึ่งแล้วต่อไปให้ดูที่ลมหายใจหรือให้ดูตัวให้รู้ตัวเฉยๆครับยังไงก็ได้ขอให้เราอยากคิดก็แล้วกันแต่ทางที่ดีควรจะมีอะไร ก็ผูกใจไว้จะดีกว่าดูลมต่อไปได้ก็ดูลมไปหรือจะพุทโทรต่อไปได้ก็พุทโทรไปก็ได้ถ้าดูเฉยๆต้องมั่นใจว่ามีกําลังพอที่จะให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คาถามจาก Youtube คาถามจากคุณวุฒิผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเด่นชัดตรงกลางหน้าผากอยากถามว่าผมควรเพ่งไปตรงจุดนั้น หรควรปฏิบัติอย่างไรเพราะผมดูลมหายใจแล้วมันไม่ค่อยสงบแต่ใจมันชอบไปอยู่ตรงกลางหน้าผากครับก็อยูต่ตรงนั้นก็ได้อย่าหยุดจุดเดียวให้เพ่งอยู่ตรงนั้นจุดเดียวอย่าไปที่อื่นอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆคําถามจากคุณมามี่ธุรกิจที่ทําอยู่มีบางที่ที่ต้องได้ใจ่ายใต้โต๊ะให้ลูกค้าซึ่งในาใจก็มีอติกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ไม่อยากสนับสนุนให้มีคอร์รัปชันมีบางครั้งที่ต้องเลี่ยงได้บางครั้งเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องจ่ายอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะบาปไหมคะและเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะเราคงไม่บาปนั่นคนที่มาทำนะบาปเพราะเขาหารายได้จากอันไม่ชอบเราก็เป็นคนขายไปเขาเขาขอเรียก2ราคาสองจ่าย2ชั้นจ่ายชั้นบนกับจ่ายชั้นล่าง เเเรราาาากก็จ่่ยยข้ไปตมทีีองคำ ถ, ถามจากคุณสรอัดที่กล่าวกันว่ามีวิ ญ, ญญาณเล่ร่อนมาขอส่วนบุญเป็นอย่างไรมีจริงไหมและเราควรปฏิบัติอย่างไรครับส่วนใหญ่นี้เราจะไม่ดูหรอกเพราะว่าเราไม่มีกระแสะจิต ท, ที่มีกำลังพอที่จะรับกับดวงวิ ญ, ญญาณต่างๆได้ แต่คนที่เขามีพลังจิตนี่เขาจะรับรู้ได้คนที่นั่งสมาธิเข้าฌานได้นี่เขามาจะมีพลังจิตที่จะรับรู้เรื่องดวงวิญญาณต่างๆได้งั้นถ้าเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเราเองเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราฝันไปแล้วเราคิดว่ามีดวงวิญญาณเข้ามาในฝันเราถ้าถ้าเป็นจริงเราต้องคุยกับเขาได้ต้องสนทนาถามสารทุกข์สุขดิบได้ ถามว่าเขาต้องการอะไรได้ถ้าเขาบอกเขาต้องการเสื้อผ้าต้องการอะไรอาหารนี้เราก็ไปทําบุญซื้อเสื้อผ้าไปแจกคนนั้นคนนี้แล้วก็อุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับเขาไปถ้าเราไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงแต่เราฝันอาจจะเป็นความฝันที่เราคิดขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะทาบุญก็ทาได้เหมือนกันเผื่อไว้เผื่อมันเป็นความจริง เพื่อมีดวงวิญญาณเข้ามาขอเขาถึงมักจะถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเกิดฝันถึงคนตายก็มักจะไปทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศบุญกันส่วนจะจริงหรือไม่จริงนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่แน่ที่ได้แน่ๆก็คือคนทำบุญนั่นแหละคนทำบุญอาจจะดีได้มีโอกาสทำบุญเพราะว่ามัวแต่ไปหาเงินหาทองไม่มีเวลามาทาบุญเลยเดี๋ยวตายไปไม่มีบุญติดตัวไป เงินทางที่หามาด้านนี้ก็เอาไปไม่ได้นงั้นก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีเวลาฝันถึงคนตายจะได้มีโอกาสไปทําบุญจะได้มีบุญติดตัวไปจะได้ไม่ต้องมาขอบุญเวลาตายไปแล้วคําถามจากคุณชีวิตยังมีอยู่ฟังพระอาจารย์เทศทุกวันเวลานั่งสมาธิจะได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดตลอดเลยอย่างนี้ดีไหมครับก็ จะว่าดีก็ดีถ้าใจเรายังไม่สามารถอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมได้การฟังเสียงธรรมก็ยังดีกว่าไปาคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ถ้าจะได้ให้ดีก็ควรที่จะให้อยู่กับเรื่องเดียวจะดีกว่าอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับพุโทโธไปเพราะจิตจะสงบกว่าลึกกว่าจากการฟังเสียง เพราะการฟังเสียงนี่ก็เป็นการทำงานของสัญญาสังขารนี่เพียงแต่ว่าเป็นเสียงธรรมมันทำให้ใจไม่ฟุง้งซ่านไม่ไม่โลภไม่อยากแต่มันก็ยังจะไม่สงบเหมือนกับการที่เราดูลมหายใจแล้วอยู่กับพุโทโธไปก็ลองดูท่านถ้าฟังเสียงธรรมแล้วนั่งไปแล้วจิตสงบได้จากการฟังเสียงธรรมก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูผล ผลที่เราต้องการก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งจักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขมากจากความสงบอันนี้อันนั้นเป็นผลที่เราต้องการถ้ายังไม่ถึงเราก็ต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งทำให้มันถึงให้ได้คาถามจากคุณพรัอคพรเคยอ่านหนังสือเจอว่าเวลาเดินจงกรมไม่นิยมเดินในแนวทิศเหนือใต้เป็นเพราะเหตุใดคบ อันนี้ก็ไม่มีใครอธิบายเพียงแต่มีการสอนให้ทําอย่างนี้หลวงตาท่านเขียนไว้ในหนังสือปฏิปทานท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนว่าเวลาเดินจงกรมทําทางเดินจงกรมนี้ให้ทำเดินตามตะวันทางอย่าไปย้อนตะอย่าไปขวางตะวันคือให้ทำทางไปทางให้เดินไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกโดยโดยเป็นทิศ เฉียงก็ได้เฉียงเหนือเฉียงใต้ก็ได้แต่ไม่ให้เดินทิศเหนือใต้ท่านอาจจะมีเหตุผลที่อาจจะไม่สามารถอธิบายพวกเราฟังก็ได้พวกเราก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพาาระอรหันต์เราก็เชื่อว่ามันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนยกเว้นในกรณีที่เราอยู่ในที่มันเดิน ทางอื่นไม่ได้มีทางเดินเหนือใต้ก็เดินไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะสามารถทําทางที่เหมาะสมต่อไปคำถามจากคุณหลิงหลิงอยากจะทราบว่าจิตกับวิญญาณคือตัวเดียวกันหรือเปล่าคะคือตัวจิตเนี่ยคำว่าจิตนี่มันมีหลายความหมายอย่างที่ไม่กี้อธิบายให้ฟังตัวจิตนี่จะเป็นตัวใจก็คือตัวรู้ ตัวจิตตัวใจนี้เป็นตัวรู้ที่ไม่มีวันตายเป็นตัวที่ไปเกิดใหม่ส่วนตัวจิตที่เกิดดับเกิดดับนี้ก็คือตัวอาการของจิตอารมณ์ของจิตเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความฟุ้งซ่านความสงบอารมณ์ดีอารมณ์เสียอันนี้เป็นอารมณ์ของจิตตัวนี้เกิดดับเกิดดับ แล้วเวลาออกจากร่างกายนี้ไปตัวจิตตัวใจนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปไปปฏิสนธิก็เรียกว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณไปเป็นตัวเดียวกันตัวรู้ตัวนี้ไปตัวนี้ไม่ดับแล้วก็ตัวที่เป็นจิตก็ไปด้วยพวกอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตก็ไปกับตัวรู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวรู้นี่เหมือนกับเป็นตัวรถยนต์แล้วส่วนประกอบของรถยนต์ก็ไปกับรถยนต์ ของที่มีในรถยนต์เนียก็ไปด้วยกันคาถามจากคุณปทุมมาเห็นสภาวะเป็นดวงกับอยู่ในเหตุการณ์ไม่เป็นดวงเช่นความโกรธอันไหนดีกว่ากันคะไม่เข้าใจเป็นดวงเป็นยังไงคือเห็นอะไรก็ให้เห็นเป็นตายรักไปก็แล้วกันอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปอยากให้เขาอยู่เขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะหายก็ปล่อยเขาหายไปคําถามจากคุณยายน้องเฮงตอนตอนนี้สินค้ายังค่ามดค่าปวกค่าเหตุแบบไม่อยากจะทําจะบาปมากไหมคะก็บาประดับ น, นระดับเหตดเหตุระดับมดเนี่ยตายไปก็ต้องไปเป็นเหตุเป็นมดให้เขาฆ่า คำถามจากคุณสิริวัลถ้าทํางานไปด้วยแบบไม่ต้องใช้ความคิดในขณะเดียวกันฟังทำไปด้วยควรปฏิบัติหรือไม่คะถึงแม้ไม่ใช้ความคิดมันทำงานก็ต้องใช้ความคิดอ่ะมันไม่คิดเดี๋ยวมันก็ทําผิดทําถูกได้ฉะนั้นไม่ควรที่จะฟังทำถ้าอยากจะฟังทำก็ไม่ควรจะทําอะไรจะได้ประโยชน์เต็มร้อยถ้าทํางานแล้วฟังมันก็จะได้ห้าสบห้าสใจมันก็จะแบ่งไปสองที่ แบ่งมาที่ทํางานแล้วก็แบ่งไปที่ฟังทำมันก็เลยจะฟังแบบไม่ต่อเนื่องขาดขาดตองขาดขาดเกินเกินทางานก็จะไม่ได้งานที่ดีเพราะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการทํางานอย่างเดียวฉะนั้นควรจะทําอะไรอย่างเดียวจะดีกว่าจะได้ผลดีกว่าคําถามจากคุณวิไลวันถ้าเรามีใจบริสุทธิ์และให้อภัยกับคนที่ไม่ชอบเรา ทั้งแล้วทั้งเล่าเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ร่ำไปเราจะยังมีพบมีชาติกับเขาอยู่ไหมเจ้าคะจากลูกโยพ่อทําเนียบค้าขายสวิ a เซอร์แลนด์เจ้าคะออจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันไม่แน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีอะไรกับเขาแล้วจะเจอกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้าเราหัดเปลี่ยนจากการไม่ชอบเขาเป็นการชอบเขาในการเจอกันก็จะดี ที่ไม่ดีเพราะเราไม่ชอบเขาไม่อยากจะเจอเขาเฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจะไปเจอแล้วไม่เจอปัญหาอยู่ที่ว่าเจอแล้วชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนให้มันชอบซชก็แล้วกันแล้วต่อไปเวลาเจอเขาก็จะได้ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราเจอสิ่งที่ชอบเราก็จะชอบใช่มเพราฉนั้นหัดหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบเราหัดไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็อยากจะเจออยู่เรื่อยๆ แต่พอไม่เจอเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไปไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเวลาไม่เจอเขาเราก็จะไม่เสียใจยังต้องหัดทำใจเป็นกลางแล้วเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเราทำใจให้สงบเป็นอุเบกานี่เราจะไม่มีความชอบความชังความรักความกลัวความหลงยันเวลาเรามีอุเบกขาแล้วเราจะไปอยู่กับใครที่ไหนก็อยู่ได้หมดสบาย เหมือนกับปลั๊กไฟฟ้าปลั๊กแบบใช้ได้ทุกทุกชนิดเนี่ยชนิดเคี้ยวชนิดกลมก็ได้ชนิดเหลี่ยมก็ได้ชนิดสามขาก็ได้สองขาก็ได้ถ้าทำใจแล้วให้เป็นปลั๊กแบบแบบแบบนานาชาติใช้ได้ทุกทุกรูปแบบเนี่ยเวลาทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่กับใครก็ได้พบกับใครก็ได้จาก จากกันก็ได้พบกันก็ได้ใจจะรู้สึกเฉยเฉยต้องฝึกฝึกสติให้มากๆแล้วนั่งสมาธิให้รวมพอจิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้สบายแล้วไปอยู่ที่ไหนไปเจออะไรกับใครนี่จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคำถามจากคุณมิรัตเวลานั่งสมาธินานแล้วจะมีการควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีร้องไห้บางทีดีใจ บางทีขยับตัวไม่ได้มีวิธีการควบคุมจิตสมาธิอย่างไรครับเพราะเราไม่มีเราไม่มีสติไงเราทิ้งสติเราทิ้งพุทโธไปทิ้งลมหายใจไปจิตก็เลยเป็นอัตโนมัติไปมันก็เลยเกิดอาการอะไรต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนขับรถแล้วเราไปกดออโต้ไงให้มันวิ่งออโต้เราไม่ขับเองมันก็จะวิ่งไปตามตามออโต้ถ้าเราต้องการจะควบคุม สิ่งต่างๆเราก็ต้องมีสติดึงสติกลับมาดึงพุทโธกลับมาหรือดูลมดึงลมหายใจกลับมาไปอยู่กับลมหายใจหรือใช้ถ้าเราไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้ลมหายใจแต่มีสติหยุดอารมณ์ต่างๆได้ก็ใช้สติหยุดมันคำถามจากคุณเอกคุณเมื่อปฏิบัติแบบอาณาปานสติแล้วตอนนี้เกิดสภาวะตัวรู้แล้วะยะหนึ่งแล้ว เราควรจเจริญให้เป็นวิปัสนาต้องทำอย่างไรบางวันหลับตาแล้วรู้ลมแล้วเงียบเลยตอนนี้รู้ลมหายใจได้เร็วขึ้นะเวล<ะ>า <วะ S 2> นั่งเวล<ะ>า น, <วะ S 2> นั่งนี้ไม่ต้องทำวิปัสนาเราทำสมถะเวล<ะ>านั่งนี้ต้องการให้สงบ <c oughs> ให้นิ่งอย่างเดียวแล้วพยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆทำให้ชำนานก่อนแล้วก็ถ้าจะทำวิปัสนาก็ทำตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเช่นตอนนี้ ตอนที่นั่งฟังตอนนี้ทําอะไรอยู่นี่ใช้วิปัสสนาได้หมดกําลังทํางานก็พิจารณางานที่เราทำว่าไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องต้องจบต้องออกหรือบริษัทเจ้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องอมีวันสิ้นสุดให้มองเห็นความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้สักวันหนึ่งมันจะต้องจบมันต้องหมด ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองตำแหน่งต่างๆอะไรต่างๆที่เรามีอยู่แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องมีวันจบมีวันหมดนี่คือวิปัสสนาให้คิดอย่างนี้ในขณะที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราไปคิดในสมาธิมันสมาธิจะไม่มีกำลังจะไม่มีอุบเบกขาแล้วพอออกมามันจะไม่ยอมคิด แต่ถ้ามีสมาธิแล้วเราสั่งให้มันคิดมันก็จะคิดมันจะไม่มีตัวต่อต้านตัวต่อต้านก็คือกิเลสกิเลสมันไม่ชอบคิดเรื่องเรื่องเรื่องความจบของสิ่งต่างๆมันชอบคิดแต่ความความเกิดความเจริญของสิ่งต่างๆแต่มันเป็นเพียงด้านเดียวของของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆมันมีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อม ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเวลามันดับเวลามันเสื่อมเวลามันเกิดขึ้นเราจะทําใจไม่ได้เราจะเสียใจเราจะทุกข์แต่ถ้าเราสอนใจไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันต้องเสื่อมเดี๋ยวมันต้องดับพอมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์เพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้วิปัสสนาวิปัสสนาต้องตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็คำว่านั่งสมาธิก็บอกแล้วว่าให้นั่งสมาธิไม่ให้นั่งวิปัสนาแปว่า ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ต้องไม่ต้องนั่งก็ไดนะแต่ว่าอยูด<อ>จะชื่อม ไ, มไม่ต้องนั่งไหมครับวิปัสนาไม่ต้องนั่งหรอกกัอยู่ทําอะไรก็ทำไปเจอเจ อ, เจอแฟนก็บอกอั น, นิีจังเนี่ยก็เป็นวิปัสนาแลเจอเงินก็บอกวิปัสนาอันิีจัง เ, <อ>เดี๋ยวก็หมดนี่ยได้มาก็หมดไปสอนใจเตือนใจว่าทุกอย่างมันต้องจบเอาว่ามาโยง อ่าก็รู้ตอนที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ไงเวลาเขโมยมาขโมยของในบ้านไปถ้าเราทุกข์ก็เป็นสัญญาสิถ้าเราไม่ทุกข์ก็เป็นปัญญาไงใช่ไหมอ่าถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่าลืมไปแล้วว่ามันเป็นอนิจจังถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่ลืมว่ามันเป็นอนิจจังมันต้องไปเอาไปก็ไปสิใชก็เป็นปัจจัยประกอบเรื่อยู่แล้วกระใช่มันต้องสอนบ่อยๆจนกระทั่งมันมันไม่ลืมไง ถ้ามันไม่ลืมมันก็ไม่เป็นสัญญาลสัญญามันลืมได้แต่ปัญญาไม่ลืมต้องคิดบ่อยๆเตือนใจบ่อยๆจนกระทั่งไม่ลืมแล้วพอเกิดเหตุการณ์ก็จะไม่ทุกข์เราไม่ค่อยพิจารณากันเราแค่พิจารณาคนเดียวจบแล้วรู้แล้วว่าไม่เที่ยงแต่พอไปเจอของไม่เที่ยงเขาก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมา แ, แ, แ, แรกๆก็เสียดายก่อนนะฮะท่านค่อยๆมาปัญญาค่อยๆเกิดก็ยังช้าไป ต้องไม่เสียดายเลยต้องดีใจว่าเอาไปเลยหนักอกหนักใจมีมัม้ย ห, หนักอกหนักใจเอาไปเลยยกภูเขาออกจากอกให้ไม่มีอะไรดีที่สุดใช่ไหมอาพวกเราชอบแบกกันเนี่ยพอไม่ได้แบกก็ทุกข์กันแทนที่จะดีใจกับเสียใจที่อีกชอบแบกกันเนีา่างย เรื่องพยายามคิดว่าไม่ใช่มันเป็นของสับเปลเเดี๋ยวเข้ามาขอคืน <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาขอคืนไป <c oughs> เนื้อสับเปลเเนี่ยคือเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายเราพ่อแม่เรายังไม่เอาเลยใช่ไหมเวลาตายสามีภรรยายไม่เอายกใครสับเปลเทั้งหมดเลยแต่จําวไม่นี่ยเจ้าของแท้ก็คือสับเปลเรเราเลี้ยงดูเพื่อสับเปลเรนี่เลี้ยงดูร่างกายนี้เพื่อส่งให้สับปปเปลเร ก็ e> จะมีวิธีทําำไง like hey ให้ใ like ห like yeah. yeah. Yo, ้เรากลัวตายไงก็คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะไม่กลัวไงใจรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นคนขับร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นรถยนต์รถยนต์จะพังเราไม่กลัวใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นรถยนต์เราเป็นคนขับตอนนี้เราก็ต้องนึกอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนสั่งให้มันทํานู่นทํานี่อืคนสั่งไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็คนขับกลัวไอ้ร่างกายไม่ไม่กลัวหรอกร่างกายมันจะตายไม่ไม่กลัวไอ้คนขับไปกลัวแทนร่างกายเพราะไปคิดว่าเป็นร่างกายก็ตอนนี้ต้องมาสอนคนขับให้รู้ว่าคุณเป็นคนขับคุณไม่ได้เป็นร่างกายเท่านั้นเองต่อไปพอคุณรู้คุณก็ปล่อยร่างกายได้ไม่กลัวนะคุณไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายไปกลัวทําไมไม่ได้ตายไปกับร่างกายเท่าไหรใจไม่มีวันตาย มีช่ชีวิตกัอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องช่วยเราเป็เราชาวพูดกูบาอาจารย์ท่านเข้าโรงพยาบาลให้ไหนท่านก็ปล่อยให้มันตายไปนี่ก็กินยารักษาแบบธรรมชาติไปธรรมชาติบําบัดมีสมุนไพรมีอะไรก็กินไปต้มยากินไปอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปก็จบสบายกว่าประหยัดด้วยตายแบบประหยัดอยู่แบบประหยัดวันทีก่อนจะตายหมดไปหลายล้านเลยแต่หมอจะบอกถ้าไมจัง ก็ให้มันก็เรื่องของเราแหะมันไม่ใช่เรื่องของลูกหลานเท่าไหร่ร่างกายเป็นของใครเลยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องนะครัอ่าไม่รู้เรื่องเราก็เขียนสั่งไว้ก่อนเลยห้ามเอาเข้าโรงพยาบาลจบตามก็ยาวเข้าถือว่าเป็นกรรมของเราไปสั่งแล้วมันยังไม่ไม่เชื่อเราก็ช่วยไม่ได้นะอากูบาอาจารย์บางรลูกท่านก็สั่งลูกศิษย์ก็ไม่ฟังไม่ยอมเดึงเข้าจนได้เออ ท่านก็ยอมแต่ท่านใจท่านก็ยังไงก็ได้ใจท่านไม่เดือดร้อนจะรักษาก็ได้จะเจาะก็นด้จะผ่าก็ได้จะตัดก็ได้จาจท่านรู้ท่านไม่ได้เป็นร่างกายเพียงแต่ท่านเห็นว่ามันเสียเวลาเจ็บตัวไ ป, ปเปล่าๆใช่เหตุไว้ให้มันตายแบบธรรมชาติมันสบายกว่าดูพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสายวงสายอย่างอะไรใช่ไหมท่านก็เข้าฌานไปนั่งสมาธิเข้าฌานไป ทำใจให้สงบแนะล้วร่างกายก็ต่างฝ่ายต่างไปกันก้นต่าทางกาวเรียนถามนี่จริงจริว่าพระพุทธเจ้ามีท่านตัอชลุลอยฌานหรือเปล่าคะหรือว่าเออเวลาตัดชลุนี่ต้องออกจากนอกฌานต้องอยู่ในจิตที่ปกติที่คิดตามเหตุตามผลได้เพราะกิเลสมันมันไม่ได้เวลาอยู่ในฌานกิเลสมันไม่ทํางานเนี่ยความคิดก็ไม่ทํางานในฌานนี้จิตสงบนิ่งเฉยเฉยเหมือนคนนอนหลับ ต้องตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำงานต้องพิจารณาเหตุผลพิจารณาไตรักษเพื่อสอนใจไม่ให้หลงกับสิ่งที่เป็นทุกข์เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่มีความอยากได้อะไรเราไม่มีความอยากก็ตัดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ก็พระอัญญาณกรทัญญเวลาฟังธรรมมนุษย์รมตอนนีน้ฟังธรรมก็พิจารณาตามที่พระเจ้าสอนไม่ได้อยู่ในฌาน ฟังเหตุฟังผลแล้วก็มาดูว่าใจตอนนี้ทุกข์กับเรื่องแก่เรื่องตายพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นธรรมดาดีกเลี้ยงไม่ได้มันจะตายก็ให้มันตายไปแล้วเราจะไม่ทุกข์พอเข้าใจนี้ก็เลยทําตามที่พระเจ้าสอนปล่อยวางร่างกายไม่กลัวตายพอไม่กลัวตายมันก็ไม่ทุกข์ต่อไปแต่คนสมัยนี้เขพูดบอกว่า สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจะไปทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ก็พระเจ้าสั่งไว้ก่อนตายว่าทำที่เราสอนนี่เป็นจะเป็นตัวแทนของเราอศาสดาของพวกเธอต่อไปก็คือทำอวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเนี่ยพระธรรมคำสอนที่เราศึกษากันเนี่ยคือพระศาสดาของพวกเราตอนนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่เพียงแต่คนโง่ไม่รู้เท่านั้นเองว่า ย่งครูบาอาจารย์จะมาตัดสรุปมาเป็นผ้าผนันกันได้ตรงไหนก็สายคําสอนพุทธเจ้าที่สอนไว้นี่แหละที่เราจะลึกกันไว้ที่เราเก็บถ่ายทอดกันมานี่แหละเป็นผู้ที่เอามาสั่งสอนพวกเราเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ในพระธรรมคําสอนกนไม่ศึกษาก็ไม่รู้บอกเขาเสียว่ามีพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นแต่ว่าตัวตัวของพระพุทธเจ้าที่ สอนนี่ไม่มีแต่ตัวแท้ก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอยู่แงไม่ใช่เลยว่าต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของเราไปถ้าเธอไม่ศึกษาธรรมของเราเธอก็ห่างอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตแต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตถ้าเธอศึกษาธรรมมากคำสอนของเราเธอก็เหมือนอยู่กับการเกาะชายผ้าเหลืองของเรานีมันอยู่ที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าศรีลาร่างกายของท่านก็เหมือนศัีลาร่างกายของเรา ไม่มีอะไรแตกต่างกันมีการสาสิบสองเหมือนกันที่ต่างกันก็คือเสียงที่ออกมานี่แหละมันต่างกันตรงนั้นเสียงธรรมเนี่ยถ้าสัยนี้ถ้ามีคนแบบฟังอหรหันตเทพนี้นะคะเราจะได้โสดาได้อะไรอนาคามีเรามี ไ, ไ, <ป>ไมมหมคะมีเยอะๆไปก็พาที่ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านได้กันเพียงแต่ท่านไม่มาประกาศเหมือนทางโลกท่นนั่นเองยิ่งได้ยิ่งเงียบก็ใหญ่ไห ม, มพวกที่ก็ได้ก็ไม่มาเผยแผ่ มาประกาศเพราะเขาไม่หิวไม่เขาไม่ต้องการรางวัลอะไรจากใครแล้วก็เป็นอันตรายด้วยไปพูดเข้าเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อก็จะหาว่าอุตริขึ้นมาจะยุ่งใบใหญ่อรจายมันส่วนใหญ่เขาบรรลุกขาไม่มีใครเขาพูดกันหรอกถ้าจะพูดก็พูดเฉพาะในวงในสั่งสอนกันพอสอนก็วิธีให้เป็นพอคนฟังเข้าใจเป็นภาพเขาก็รู้ว่าคนพูดเป็นจริงๆก็จะรู้กันแบบนี้ เขาไม่ได้รู้โดยจากการมาบอกให้ฉันเป็นแล้วนะเธอเป็นหรือยังเธอเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีะนะอะ่มีเนี่ยก็มีถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สายหนวงปู่มั่นมาเนี่ยเห็นไหมกูบอกไม่มีอะถ้าตามดจมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามนั่นผ <c oughs> ้าหลานจะไม่สิ้นจากโลก ้ามีการสั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติตามการบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาอาเลือกสองักอีกสิบห้านาทีว่าต่อคำถามจากคุณเล็กลูกอยู่ต่างประเทศเมื่อสองวันที่ผ่านมาได้ไปร่วม ง, งานศพของแม่เพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาติและเขาไม่มีศาสนาเพื่อนเขาถามลูกว่าแม่เขาตายไปแล้วจะไปไหน ลูกบอกว่าพระพุทธเจ้าของฉันสอนว่าถ้าทำกรรมดีก็จะกลับมาเกิดฐานที่ดีๆแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์หรืออะไรต่างๆก็ได้ลูกเป็นแค่เด็กอนุบาลที่เริ่มฝึกอยู่แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าคนที่ไม่มีศาสนาตายไปแล้ววิญญาณเขาจะไปไหนเจ้าคะกอมีศาสนาไม่มีศาสนานี่ไม่สาคัญสาคัญอยู่ที่ทาบุญหรือทบาปหรือเปล่า ไม่มีาศาสนาทําบุญก็ไปดีได้มีาศาสนาทําบาปก็ไปอบายได้เั้นมันไม่ได้อยู่ที่การมีาศาสนาหรือไม่เมืองไอทยเ น, นี่ยเป็นชาวพุทธเก้าสิบกว่าเป็นี่ยทำบาปกันบ้างหรือเปล่าเปิดบาเปิดผับกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยขอรับชั่นกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่การมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติตามศาสนาหรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนศาสนาก็จะไปดีทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดนี่คือคำสอนโดยย่อของศาสนาพุทธถ้าทำตามสามข้อ น, นี้ได้รับรองได้ว่าตายไปต้องไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปถึงพระนิพพานได้เลยถ้าไม่ทำตามคำสอนนี้ก็ไปอบายเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเกิดเร็วกว่าเก่ายากกว่าเก่า แต่ถ้าทําตามคําสอนพุทธเจ้าถ้ายังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดชาติต่อๆไปจะดีขึ้นไปเรื่อยๆดูพระเวชสันดรเนี่ยดูพระเจ้าสิบชาติเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของการกลับมาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติของผู้ที่ได้ปฏิบตัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตัติจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดชาติสุดท้ายได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ลังจากคุณทิพย์พวันเวลาไปกินอาหารทะเลส่วนใหญ่ที่ร้านก็เป็นของสดยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชี้ว่าเอาตัวนั้นตัวนี้มาทำอาหารถือว่าเราบาปฝ่นข้อหนึ่งไหมคะถ้ารู้ว่ า, ถ, าถ้ารู้ว่าเหมือนกับเวลาเราต้องสั่งอาหารอยู่ดีไม่ใช่หรอต้องสั่งปลาทอดกล้วยกุ้งเผาอะไรอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทำบาปก็อย่าไปกินก็นแล้วกันเปนลี่ยนร้านอื่นไป กินร้านที่เขาขายของตายแล้วดีกว่ามันก็แค่ความสุขแค่ปลายลิ้นนะพนะอเข้าไปในปากคายออกมาก็ไม่อยากเกินเข้าไปลนะวใช่ไหมถ้ามันอร่อยนะักเดี๋ยวเวลาเคี้ยวอริ อ, อร่อยคายออกมาก่อนเนี่ยแล้วตักเข้าไปใหม่เลอแค่นั้นมันก็จบละกินเพื่ออิ่มอย่าไปกินเพื่อสุขเลสุขแค่ปลายลิ้นแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไม่คุ้มหรอกคาถามจากคุณลอย เวลาท่านสอนว่าปฏิบัติให้มีสติมีกําลังคําว่ามีกําลังหมายความว่าอย่างไรครับก็ไม่เพ้อไงสามารถสั่งให้หยุดความคิดได้ตามที่ต้องการเหมือนเบรครถยนต์เนี่ยพอถึงสีแยกไฟแดงก็เบรคกึกเลยใครตัดหน้าปั๊บก็เบรคกึกเลยเก็มีกําลังถ้าเบรกแล้วยังวิ่งอยู่แสดงว่ายังไม่มีกําลังพอโกรธปั๊บหยุดได้เลยพอโล่ปั๊บหยุดได้เลยอย่างเงี้ยแล้วมีกําลัง พอคิดปุ๊บ ก, ก็หยุดมันเลยคำถามจากคุณลุจิลาเรารู้สึกไม่ค่อยดีอาจเป็นเพราะกรรมเก่าจะแก้อย่างไรดีคะก็ต้องใช้ไปแล้วอย่าไปทำกรรมใหม่เดี๋ยวกรรมเก่าใช้หมดแล้วความรู้สึกไม่ดีก็จะหมดไปเองความรู้สึกไม่ดีก็เกิดจากการทำไม่ดีนี่เองความรู้สึกดีก็เกิดจากการทำความดี ยังถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกดีก็ทําความดีไปอย่างวันนี้เรามาทําความดีมาเจริญเมตตามาเสียสละแบ่งปันมารักษาศีนั่งเฉยเฉไม่ได้ทําบาปมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นวิธีสร้างความสุขความควา ม, ความสุขใจความสร้างความสบายใจให้กับเรามีใครบ่นว่าไม่สบายใจบ้างไหมเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย สองเวลาผ่านไปนี่สองเวลาสองสองชั่วโมองผ่านไปเรวยิ่งกว่าไปนั่งดูหนังอีกนะคาถามจากคุณปาข้อที่หนึ่งการกินข้าวก้นบาดพระได้บุญหรือเปล่าครับมันก็ได้อาหารเท่านั้นะมันได้บุญตรงที่ว่าอาหารของพระท่านจะเป็นเหมือนอาหารเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยแต่มันจะได้เป็นการดัด ก, กิเลส ข, ของเรา กิเลสของเราชอบกินอาหารแบบรูห้หราอ่าต้องแยกเป็นจานอ่ต้องแยกเป็นแต่อาหารของพระนี่ท่านได้อะไรมาท่านก็ใส่ไปในบาตรแล้วก็บางทีท่านก็คุกเลยอ่คุกเหมือนนะอาหารหมาเลยอ่ถ้าเรากินอาหารก้นบาตรได้ก็แสดงว่าเราได้ตัดกิเลส ข, ของเรามันเป็นบุญตรงนั้นมันไม่ได้เป็นบุญเพราะเป็นของอาจารย์หรอกถ้าเราอยากจะได้บุญอาหารที่เราก็มันจะกินนี่คุกมันก่อนสิ อาหารอะไรที่รวมก็ไปในท้องนี่เอามาใส่ในจานเดียวกันในชามเดียวกันแล้วก็คนมันเลยคุกมันเลยก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดแกงจืดแกงเผ็ดอะไรขนมอะไรขนมเค้กอะไรใส่มันเข้าไปกอดฟงกาแฟใส่มันเข้าไปแล้วก็คุกมันแล้วก็ตักกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมันที่เดียวไม่ใช่เดี๋เวลาไปกินเข้าไปแล้วมันไปที่ไหนอ่ะมันก็ไปอยู่ในท้องเหมือนกันใช่เอม ก็ให้มันรวมอยู่ในชามก่อนไม่ได้เลย น, ะนี่กินแบบฆ่ากิเลสถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องกินแบบนี้ถ้ากินแบบแยกกิเลสก็กินแบบรับใช้กิเลสเลี้ยงกิเลสไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงใจนะ<ย>เลี้ยงกิเลสทําให้ใจเป็นเป็นพิษต่อจิตใจทําให้ใจทุกเวลาไม่ได้กินตามตามที่อยากกิเลอยากกินก็จะทุกข์แล้แต่ถ้ากินแบบนี้ได้อาหารชนิดไหนก็กินได้หมด เวลาหิวลวอะไรก็กินได้หมดถ้าถ้ามันจู้จี้จุกจิกก็อดอดอ ด, อ, ดอย่าพิ่งไปกินมันปล่อยให้มันหิวจริงๆอดสักวันสองวันนี่เดี๋ยวอะไรก็อร่อยหมดว่าไหมข้อที่สองการที่นั่งสมาธิจน จ, นจิตรวมต้องผ่านเวทานาก่อนทุกคนหรือเปล่าครับถ้าสติ ด, ดีๆมันไม่ผ่านเนี่ยถ้าสติ ด, ดีๆห้านาทีสิบนาทีมันก็รวมแล้ว ไอ้ที่มันมันผ่านก็เพาะ่สติมันไม่ดีมันคิดนู่นคิดนี่กลับไปกลับมาพอยิ่ง น, นั่นยิ่งนั่งยิ่งนานมันก็ยิ่งเจ็บขึ้นมาคำถามจากคุณนครถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่กับพุณโทรไม่ได้เพราะสติกำลังไม่มี เรานั่งแล้วพูดออกเสียงพูดโทเพื่อให้สติอยู่ได้ไหมครับหรือควรที่จะสู้คุมให้คิดพุดโทต่อไปครับควรจะคิดพุดโทดีกว่าเพราะถ้าพูดมันยิ่งจะทาให้ใจไม่สงบใหญ่ให้มันอยู่แต่ภายในอย่าส่งออกมาทางร่างกายคำถามจากคุณนานั่งสมาธิไปถึงระดับหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนว่าฟ้าแลบในสมาธิเป็นระยะ ะ, ยะควรทาอย่างไรต่อคะให้รู้เฉยๆแล้วก็ ดูดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปถ้ามันยังไม่รวมอย่าเพิ่งหยุดทําต่อไประหว่างทางมันอาจจะมีอะไรให้รับรู้ก็อย่ากไปสนใจเอาอีกสองข้อนะ อ, อีกสองข้อก็พอคำ ถ, ถามจากคุณสัเพียนคงศีลภาพรวมององรวมคือห้ามเบียดเบียนใช่ไหมครับนั่นแหละการกระทําที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ ทางกายทางใจแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทําที่เบียดเบียนกันเช่นข้าจะเอาชีวิตเขานี่ก็ทําให้เขาทุกข์ทำร้ายร่างกายเขาเอาทรัพย์ของเขาไปก็ทําให้เขาทุกข์ไปยุ่งกับสามีภรรยาเขาก็ทําให้เขาทุกข์อย่างอยากทำเรื่องราวเหล่านี้คําถามจากคุณทสุด<ม>า้า ย, ายสุดท้ายแล้วนะ ทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานขออะไรเพียงแต่ใจอยากทําจึงทําเลยจะได้บุญเท่ากับคนที่อธิษฐานไหมคะได้เท่ากันอนะ่ะ mm hmm. เพราะว่าบุญไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานบุญเกิดจากการการะทําเหมือนการกินข้าวจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอกินข้าวให้อิม่มแล้วค่อยกินกับคนที่กินเลยนี่มันก็อิ่มเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานหรือไม่อธิษฐานอยู่ที่การกินหรือไม่กินบุญก็เหมือนกันอยู่ที่การทําหรือไม่ทําไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐาน หมดแล้วยังเอางี้เอาแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิพจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอด